พุทธานุสติอันนามยังอุทานุสตินายังกรโรมาเสต่างโคปันภะควันตังเอวังกันยาโนกิติสโตว์อภูคโตก็อิติสัพอันงามของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้น ได้ฟุ้งไปแล้วอย่างนี้ว่าอิติปิโสภะควารอเหตุอย่างนี้อย่างนี้พระภูมีพระภาคเจ้านั้นอาหารหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรสรุดอบได้โดยพระองค์เอง วิชาจารณสัมปนโนเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งอนุตตรอะุริสธรรมสารี เป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าสัทธาเทวมนุษย์สรนางเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายพุโทโธเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยธรรมพระควาตี เป็นผู้มีความจำเริญจำแนกคำสั่งสอนศาสตร์ดังนี้